เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้มีจิตศรัทธาใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่16เมษายนพุทธศักราช2546เป็นวันขึ้น15คำ่ำเดือน5เป็นวันพระเป็นวันฟังธรรม วันธรรมวัฒสวนสะดาติโยงผู้ที่มีจะมีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงได้มาที่วัดเพื่อมาประกอบคุณงามความดีปฏิบัติตามคำสอนอันประเสริฐของพระบรมศาสดาคือพระอรหันต ส, สัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้สรงรู้จริงเห็นจริงในเรื่องความจริงทั้งหลายในโลกนี้ความจริงที่เป็นเหตุและความจริงที่เป็นผลความจริงที่เกี่ยวกับความดีความสุขความเจริญความจริงที่เกี่ยวกับความชั่วความทุกข์ความเสื่อมเสียความหายชนะ เพื่อเรามีความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตามแต่กำลังแห่งสติปัญญาศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรของเราเมื่อเราได้ปฏิบัติตามแล้วเราก็จะได้สัมผัส กับผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามมาต่อไปเมื่อเราได้สัมผัสกับผลแล้วก็จะทำให้เราเกิดมีความศรัทธามีฉันทะวิริยะเพิ่มมากขึ้นไปที่อยากจะปฏิบัติให้ได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกในเบื้องต้นของการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นอาจจะ ค่อนข้างจะยากจะลําบากสักหน่อยเพราะว่าบางทีก็ปฏิบัติไม่ถูกสองแรงต่อต้านที่มีอยู่ภายในใจเราก็มีมากจึงทําให้รู้สึกว่าปฏิบัติยากปฏิบัติแล้วไม่ค่อยได้เกิดผลเท่าไหร่วิธีที่จะแก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง หรือปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถกูนั้นก็ต้องอาศัยการศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างสม่าเสมออย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาที่วัดกันทุกทุกวันพระก็เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็จะเกิดความเข้าเ ข, ข้าใจแล้วเราก็สามารถ นำความเข้าใจนี้ไปใช้ในการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักธรรมแล้วผลอันดีงามไม่ว่าจะเป็นความสุขภายในใจหรือความเจริญภายนอกก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาและเมื่อเกิดปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะทำให้มีกำลังใจ เพิ่มขึ้นมากขึ้นที่จะปฏิบัติต่อไปส่วนแรงต้านที่มีอยู่ภายในใจของเรานั้นวิธีที่จะแก้แรงต้านก็คือให้ศึกษาถึงประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาถึงประวัติของพระอริยาสาวกทั้งหลายที่ท่านได้ต่อสู้กับสิ่งที่มีอยู่ภายในใจของท่านสิ่งกีดขวางภายในใจ ที่ทำให้การปฏิบัติของท่านนั้นเป็นไปด้วยความยากเย็นเป็นไปด้วยความลาชา้าแต่อาศัยท่านเหล่านั้นมีความอดทนมีความกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้สามารถเอาชนะแรงต้านทาน ที่มีอยู่ภายในใจให้เบาบางลงไปจนกระทั่งไม่มีแรงต้านทานหลงเหลืออยู่ในใจเลยดังนั้นการเข้าหาผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าพระริยาสงศ์กก็ดีหรือพระเจชิอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีหรือกาลยานมิตรทั้งหลายก็ดีถ้าได้ อยู่ใกล้ชิดกับบคุคคลเหล่านี้ mm. ก็จะทำให้เราเกิดกำลังใจเ mm. พราะเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดคนดี mm. คนที่ปฏิบัติแต่ความดีมันก็จะทำให้เรามีความอยากที่จะปฏิบัติตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราได้คบกับคนดีที่มีชีวิตอยู่ mm. คือไม่ใช่ mm. พระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสารกทั้งหลายที่ได้ผ่านไปแล้วในอดีต เราก็เพียงแต่ได้ศึกษาปร ะ, ปร ะ, ประวัติของท่านแต่เรายังไม่ได้เห็นกับตาของเราแต่ถ้าเราได้อยู่ใกล้ชิดกับคนดีคนที่ปฏิบัติกระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามเมื่อเราเห็นเขาทำได้มันก็จะทำให้เราเกิดศรัทธาที่อยากจะทำตามเมื่อเราแล้วเราก็ทำตามเมื่อเราทำตามเราก็จะ เห็นผลที่ปรากฏขึ้นมาสิ่งที่รู้สึกว่ายากแสนยากนั้นเวลาที่เราอยู่ลำพังคนเดียวมันก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ยากจนเกินไปเช่นเราเห็นคนอื่นเขาถือศีลห้าได้อย่างตลอดเวลามันก็ทำให้เราเกิดมีพลังมีกําลังที่อยากจะรักษาศีลห้าให้เหมือนกับเขาเห็นเขามี เห็นเขารักษาศีลแปดได้เห็นเขานั่งสมาธิเดินจงกรมได้เห็นเขาอยู่วาดจำศีลได้ครั้งล ะ, ล, ะละหลายวันสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างเห็นเขาปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติเหมือนเขาเพราะเราก็เห็นว่าเขาก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเราเหมือนกัน ในเมื่อเมื่อเขาเียังกินข้าวเหมือนเราทําไมเราจะทําในสิ่งที่เขาทําไม่ได้นี่ก็คือลักษณะของการได้คบคนดีซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งก็เป็นมงคลด้วยสาเหตุเช่นนี้แหละเพราะคนดีนั้นย่อมจะทําแต่ความดีบางทีเหตุที่เรามาวัด น, นี้ก็เป็นเพราะว่าคนดีเขาชวนเรามา หรือคนดีเขาบอกเราว่าเราควรที่จะมาวัดมาทำบุญมาฟังเทศธรรมธรรมมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ได้คบคนดีแล้วรับรองได้ว่าเรื่องราวเหล่านี้เราจะไม่ได้ยินเราจะไม่ได้เห็นถ้าเราไปคบกับคนโง่เขาเบาปัญญาคนพาณคนที่ไม่รู้จักเรื่องผิดถูกดีชั่ว ไม่รู้จักเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่รู้จักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาจะไม่สามารถบอกสอนเราหรือแนะนำเราเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้เช่นถ้าเราครบกับคนที่ชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเข้าบ่อนถ้าคบกับคนที่ชอบเสพสุรายาเมาเขาก็จะชวนเราไปกินเหล้าเมายาถ้าคบกับคนที่ชอบเที่ยวกลางคืน เขาก็จะชวนเราไปเที่ยวกำคืนเพราะนั่นเป็นนิสัยของเขาเป็นชีวิตจิตใจของเขาเป็นสิ่งที่เขาทำเป็นปกติแล้วเมื่อเราไปเกี่ยวข้องกับเขาเวลาที่เขาจะไปทําสิ่งเหล่านี้เขาก็ต้องชวนเราไปทําสิ่งเหล่านี้แล้วเมื่อเราอยากจะคบกับเขาเป็นมิตรเป็นเพื่อนเราก็ต้องไปกับเขาเพราะเรากลัวจะเสียเพื่อนแต่เราไม่รู้ว่าเราเสียตัวนี้ มันรุนแรงล้ายกว่ากากว่ามากน้อยเพียงไรเราก็ไม่คิดกันก็าตามเพื่อนไปเพื่อนเสพยาเสพติดเราก็เสพไปกับเขานี่ก็เป็นเพราะว่าเกิดจากการครบคนพาลเป็นมิตรนั่นเองซึ่งเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียความหายนะทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าการไม่คบคนพาล น, นั้น เป็นมงคลอย่างยิ่ง mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าคนใดเป็นคนพาลแล้วเรายังจำเป็นจะต้องคบค้าสมาคมกับเขา mm hmm. เราก็ต้องมีขีดเส้นไว้ mm hmm. คือคบได้รู้จักกันได้คุยกันได้แต่เมื่อถึงเวลาที่เขา mm hmm. จะชวนเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดี mm hmm. เราต้องหยุดเราต้องบอกเขาว่า เราทำไม่ได้เราายไม่ได้ <c oughs> ถ้าเขาจะไม่คบกับเรา <c oughs> ก็ไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปเสียใจเพราะคบกับคนพานคบกับคนชั่วก็เหมือนกับคบกับอสารพิษนั่นเองไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถูกอสารพิษนั้นกัดเราเพราะว่าเมื่อเราไปทำตามในสิ่งที่เขาทำ ไม่ช้าก็เร็วการกระทําเหล่านั้นจะจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียซึ่งความหายหายนะให้กับตัวของเราดังนั้นเราจึงต้องรู้จักเลือกคบคนคบคนดีอย่าไปคบคนไม่ดีคนดีคนไม่ดีนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่ารวยหรือไม่รวยมีตําแหน่งสูงหรือไม่สูงมีคนยกย่องสรรเสริญมากน้อยเพียงไรหรือไม่ เพราะว่าในโลกเราสมัยนี้นั้นเรามีคนอยู่สองฝ่ายด้วยกันคนที่ไม่ดีกับคนที่ดีคนที่ไม่ดีเขาก็จะยกย่องสนรเสริญคนที่ไม่ดีด้วยกันเพราะเขามีความรู้สึกนึกคิดไปในทางนองเดียวกันแต่คนที่ดีนั้นเขาจะไม่ยกย่องสนรเสริญคนที่ดีอย่างพระพุทธเจ้าไม่ทรงยกย่องสนรเสริญคนไม่ดี ทรงตำหนิทรงประนามอยู่เสม อ, อดังนั้นเราอย่าไปดูที่ฐานะเงินทองของเขาตำแหน่งของเขาเพราะคนร่ำรวยนั้นก็รวยมาได้จากความไม่ดีรวยมาจากการกระทำผิดคือโกงเขามาปนเขามาหลอกลวงเขามาก็เป็นคนรวยได้มีตำแหน่งสูงสูงได้ก็เช่นเดียวกัน ไม่จำเป็นว่าจะต้องรวยด้วยความสุดจริญหรือมีตำแหน่งสูงขึ้นมาด้วยความสุดเจริญเรื่องรวยเรื่องมีตำแหน่งจึงไม่ใช่เป็นเครื่องวัดความดีของคนหรือความชั่วของคนความดีของคนหรือความชั่วของคนนั้นต้องวัดด้วยพฤติกรรมคือการกระทาของเราของของคนคนนั้นว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไร ถ้าเขายังเกี่ยวพันกับอบายมุขทั้งหลายยังทำผิดศีลผิดธรรมโกหกพูดปดมดเท็จประพฤติผิดประเวณีเสพสุรายามเมาช่อโกงฆ่าสัตว์ชีวิตถ้าเขากระทำในสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้เราว่าตัดสินใจได้เลยว่าเป็นคนไม่ดี ถึงแม้เขาจะไม่ได้ติดคุกติดตารางก็ตามแต่ตามหลักของพระพุทธศาสนานั้น <c oughs> ไม่จาเป็นว่าจะต้องรอให้ศาลตัดสินเสียก่อนว่าผิดแล้วถูกจำคุกต้องโทษติดคุกติดาตารางทางพระพุทธศาสนานั้นถืออยู่ที่การกระทาก็พอแล้วจะถูกตำรวจจับหรือไม่ก็ไม่สำคัญ สำคัญว่าถ้าเขาก็ทำบาปทากรรมแล้วก็ถือว่าเป็นคนไม่ดีเพราะคิดดูสิถ้าเขาทำกับคนอื่นได้ทำไมเขาจะทำกับเราไม่ได้ถ้าวันดีคืนดีเกิดเราไปทำอะไรผิดใจกับเขาไปขัดใจเขาทำให้เขาเกิดความไม่พอใจทำไมเขาจะทำร้ายเราไม่ได้เขาต้องทำได้เพราะคนเหล่านี้คนแบบนี้นั้น เขาจะไม่คิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นเขาจะคํานึงแต่ความรู้สึกของเขาเท่านั้นจิตใจของเขานั้นถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เปรียบเหมือนจิตใจของสัตว์เลร้ยงฉาสนั่นเองสัตว์เลี้ยฉาสนั้นถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงดูเขาดีอย่างไรถ้าเกิดวันไหนเกิดเราเผลอไปเหยียบหางเขาเข้าเขาก็จะแว่งกลับเราได้ เพราะนั่นมันเป็นสัญชาตยานของสัตว์เดราชานสัตว์เดราชานนี้จะทำอะไรไปตามความรู้สึกนึกคิดที่มีปรากฏขึ้นมาภายในใจในขณะนั้นถ้าโกรธก็จะโหโหจะจะด่าจะว่าจะทุกตีทันทีถ้าทำได้แต่ถ้ามีอารมณ์ดีก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสผู้จาดี แต่เราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอารมณ์อย่างไรเมื่อไรเวลาอารมณ์ดีคบกับเขาก็รอดตัวไปแต่ถ้าเกิดเขาอารมณ์ร้ายขึ้นมาเราก็ต้องเจ็บตัวแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นคนดีเป็นมนุษย์มนุษย์นี้ถือว่าเป็นคนดีคือมนุษย์นี้จะต้องมีศีลห้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบ า, ายยมุขทั้งหลายจะมีสติคอยดูแลอารมณ์ของตน ยามที่มีอารมณ์โกรธขึ้นมาก็จะต้องระงับอารมณ์โกรนคือจะไม่ระบายไปสู่บุคคลที่ตนเองมีความโกรธอยู่เพราะนี่คือวิสัยของมนุษย์นั่นเองมนุษย์จะรู้จักผิดถูกดีชั่วมนุษย์จะรู้จักห้ามจิตใจมนุษย์จะมีฮิริโอตปะคือรู้จักมีความกลัวบา มีความละอายในการกระทาบาปเพราะคนเหานั้นจะเป็นคนที่น่ารักน่าเอ็น ด, ดูน่าชื่นชมก็อยู่ที่การกระทำนั่นเองถ้าการกระทำเป็นการกระทาที่ไม่ดี mm hmm. เช่นกระทาบาปแล้วคนคนนั้นต่อให้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามขนาดไหนใส่เสื้อผ้าอภารรราคาแพงๆขนาดไหนคนนั้นก็ไม่มีความสวยงาม หนงเหลืออยู่ภายในใจของเราเหลืออยู่แต่เปลือกความสวยงามอยู่ที่ร่างกายซึ่งไม่ใช่เป็นความสวยงามที่แท้จริงร่างกายนี้สักวันหนึ่งก็จะต้องแก่ชะลาลงไปน้ำก็ต้องเหี่ยวยน่นผมเผาก็ต้องขาวลงไปสุดทรงก็จะหมดไปอย่างนี้เป็นเป็นเรื่องปกติของร่างกายถ้าเราคิดว่าความสวยงามนั้นอยู่ที่ร่างกาย เราก็หลงเราก็เราก็ไปผิดทางเราก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากร่างกายแต่ถ้าเรารู้ว่าความสวยงามของคนนั้นอยู่ที่จิตใจจิตใจที่ดีจิตใจที่มีความเมตตากรุณามีบุดิตามีอุเบกขานั่นแหละคือความสวยงามของของคนเราอยู่ที่ภายในใจ เพราะคนที่มีจิตใจที่ดีที่งามนั้นอยู่กับเขาก็จะมีแต่ความสุขใจเพราะเขาจะไม่แสดงอาการอะไรที่จะสร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับเรานั่นเองอยู่กับเขาที่ไหนเมื่อไหร่เวลาใดก็จะมีแต่ความสุขและเวลาที่ไม่ได้อยู่กับเขาก็จะอดที่จะคิดถึงเขาไม่ได้เพราะว่า เขามีความสวยงามที่แท้จริงอยู่ในตัวของเขาเองคนที่มีความสวยงามทางร่างกายแต่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้มีความโลภโมโทสันจะทำให้ความสวยงามของร่างกายนั้นหายไปในในพริบตาเดียวเมื่อปล่อยให้อาการของความโลภโมโทสันออกมาแสดงออกมาเช่นเวลาเห็นอะไรอยากจะได้ ก็รีบแย่งกับเขาทันทีอย่างนี้พอใครเห็นเข้าก็ไม่อยากจะคบด้วยแล้วหรือเวลาเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาก็พูดจาดูร้ายพูดจาพูดคาหยาบออกมาอย่างนี้ความสวยงามที่มีอยู่กับร่างกายนั้นก็จะหมดความหมายไปในทันทีเพราะไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้คนที่มีความโลภโมโหสัน ดังนั้นเราจึงต้องดูตัวเราเองว่าเรามีความสวยงามอยู่ตรงไหนเราให้ความสำคัญกับความสวยงามในตัวของเราที่ตรงไหนถ้าเรายังให้ความสำคัญที่ร่างกายที่เสื้อผ้าอภรรที่เครื่องสำอางที่มาปูแต่งหน้าตาเรามากกว่าเราให้ความสำคัญต่อความสวยงามภายในจิตใจของเรา ก็แสดงว่าเรากำลังหลงทางเรากำลังพาตัวของเราเองไปสู่ความไม่สวยงามไปสู่ความเป็นที่ น, ทน่ารังเกียจของผู้อื่นเราควรที่จะรีบแก้ไขเรื่องความสวยงามของทางร่างกายนี้ก็ไม่ปฏิเสธเราก็มีได้รักษาได้ ตามอัตภาพตามฐานะคนเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆใส่ถึงจะสวยหรือต้องใช้เครื่องสำอางราคาแพงๆใส่ถึงจะหน้าตาดีเพียงแต่อาบน้ำอาบท่าผ้าวีผ้าวีผมล้างหน้าล้างตาให้สะอาดเท่านี้ก็สวยงามแล้วถ้าถ้าภายในใจของเรามีความสวยงาม มีความเมตตากรุณามีมุทิตามีอุเบกขาอยู่ในใจของเรารับรองได้ว่าความสวยงามภายในใจของเรานั้นมันจะเป็นตัวที่จะทำให้คนเขาเห็นเรานั้นมีความสวยงามแม้เราจะไม่ได้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามไม่ได้แต่งหน้าทาปากแต่อย่างไรเพราะความจริงมันเป็นอย่างนี้ความสวยงาม ที่เป็นหน้าดึงดูดใจนั้นอยู่ที่ความประพฤติของคนเราเนดังนั้นขอให้เราจงหันมาให้ความสนใจ ก, กับความประพฤติของเราหันมาสร้างผลงานความดีให้เกิดขึ้นถ้าเรายังมีความโลภโมโทโสันอยู่ขอให้เรามาชำระกรรมจัดเสียด้วยการ เข้าวัดเข้าว่าทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมเพราะนี่คือวิธีที่จะแต่งใจของเราให้สวยงามและไม่ต้องเสียเงินทองมากมายเหมือนกับการแต่งกายแต่งร่างกายของเราให้สวยงามถ้าเราไม่มีเงินทองที่จะซื้อข้าวของมาทำบุญใส่บาตรก็ไม่เป็นไร มีข้าวเปล่าเปล่าเอามาใส่บาตรก็ก็เป็นบุญแล้วตราบใดถ้าเรามีมากน้อยอย่างไรก็ขอให้เราทำไปตามกำลังฐานะของเราก็พอแล้วเพราะบุญนั้นไม่ได้อยู่ที่เพียงแต่การให้ข้าวของเงินทองเท่านั้นบุญยังเกิดจากการรักษาศีลบุญเกิดจากการละเว้นจากอบายมุขทั้งหลาย บุญเกิดจากการนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์บุญเกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเพียงแต่ต้องเสียเวลาหน่อยเราต้องสลละเวลาที่เราเคยเอาไปใช้เกี่ยวกับกิจกรรมอย่างอื่นเอาแบ่งเวลานั้นมามาสร้างคุณงามความดีสร้างความสวยงามให้กับจิตใจของเรา เมื่อเรามีคุณงามความดีอยู่ภายในใจของเราแล้วความโลภโมโทสันต่างๆก็จะเบาบางลงไปความอยากจะมีนั่นมีนี่ก็จะน้อยลงไปความอยากที่จะให้คนนั้นคนนี้เขารักเราเขาชอบเราเขายกย่องสรรเสริญเราก็จะน้อยลงไปต่อไปเราจะสามารถอยู่ตามลำพังของเราได้โดยที่เราไม่ต้อง ให้มีใครมาให้ความสุขกับเราหรือไม่ต้องมีวัตถุเข้าของต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะความดีที่มีอยู่ในใจของเรานี้แหละเป็นผู้ที่จะให้ความสุขกับเราเป็นความสุขที่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงไม่มีใครสามารถที่จะมาแย่งจากเราไปได้ความสุขที่เกิดจากสมบัติภายนอกนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เราไม่รู้ว่าสามีของเราภรรยาของเราจะจากเราไปเมื่อไหร่วันใดและจากไปแบบไหนก็ไม่รู้จากไปแบบตายไปก็ยังพอจะทําใจได้แต่ถ้าจากไปเพราะไปมีเมียใหม่ไปมีผัวใหม่อย่างนี้อาจจะทําใจไม่ค่อยได้ก็เพราะว่าใจของเรานั้นไม่มีธรรมะไม่มีคุณงานความดีไว้เหล่าเลี้ย ง, งจิตใจใจของเราจึงต้องยิ้มตื่นกับ บุคคลภายนอกยึดติดกับสิ่งของภายนอกแล้วเมื่อเกิดสูญเสียสิ่งของหรือบุคคลเหล่านั้นไปก่อนเวลาที่เราได้คาดคิดไว้เราก็จะต้องเกิดความเสียใจเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาแล้วก็จะนําพาเราไปสู่ความทุกข์สู่การกระทําที่ไม่ดีไม่งามต่อไปนี่ก็เป็นเพราะว่าเราหลงผิดนั่นเองเรามัวไป สร้างความสุขอยู่กับสิ่งภายนอกสร้างความสุขอยู่กับการรักษารูปร่างหน้าตาแต่งกายของเราแล้วก็หาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราหาบุคคลต่างๆมาให้ให้ความสุขกับเราใจของเราก็เลยต้องออกไปหาสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยไป เมื่อเสียสิ่งนี้ไปก็ต้องหาสิ่งใหม่มาทดแทนเมื่อเสียบุคคลคนนี้ไปก็ต้องหาบุคคลใหม่มาทดแทนแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้จับจบจักสิ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีไม่ได้สร้างความสุขให้เกิดขึ้นอยู่ภายในใจของเราถ้าเรามีคุณงามความดีแล้วใจของเราจะมีความอิ่มมีความพอ ถ้ามีความอิ่มมีความพอแล้วก็จะไม่อยากจะได้อะไรจากภายนอกเ mm hmm. พอรู้้ว่าธรรมชาติของสิ่งต่างๆภายนอกนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนล้วนเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุม บ, บังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ mm hmm. เมื่อเราไม่สามารถควบคุมบังคับได้ mm hmm. เมื่อมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไป mm hmm. มันก็จะทานามาซึ่งความทุกข์นั่นเอง เช่นร่างกายของเราเราก็ไม่สามารถรักษาให้สวยงามให้ดีให้รูปร่างหน้าตาดีไปได้ตลอดเพราะร่างกายนี้ก็ต้องค่อยๆเสื่อมลงไปค่อยแก่ลงไปแล้วในที่สุดก็จะต้องแตกสลายไปเวลาที่ร่างกายเราเริ่มเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมเราก็เริ่มไม่สบายใจแล้วเช่นผมเริ่มขาวแล้วหนังเริ่มเขียวเริ่มย่นแล้ว เราก็เริ่มมีปมด้อยขึ้นมาแล้วเราก็มีความกังวลมีความทุกข์แล้วเพราะเราเอาร่างกายนี้เป็นจุดขายของเราเรามีร่างกายสวยงามจึงมีคนรักเราชอบเราแต่เมื่อร่างกายของเราไม่สวยงามแล้วเราก็จะต้องกลัวว่าคนที่เขาเคยรักเราชอบเราเขาก็จะไม่ชอบเรารักเราอีกต่อไปเพราะว่าเราไปฝากความสุขของเราไว้บนสิ่งที่ไม่ใช่เป็น สิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองเป็นสิ่งที่ต้องมีการเสื่อมไปเรื่อยๆนั่นเองดังนั้นความสุขของเราที่เราที่เราเคยมีบันจะมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ในลําดับต่อไปถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ควรที่จะพยายามเปลี่ยนทิศทางการดําเนินชีวิตของเราแทนที่จะฝากความสุขของเราผูกความสุขของเราไว้กับบุคคลไว้กับสิ่งของต่างๆ เราควรจะฝากความสุขของเราไว้กับความดีความดีอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทากันในวันนี้มาทำบุญให้ทานรักษาสีลฟังเทศฟังธรรมแล้วถ้ากลับไปที่บ้านก็ไปปฏิบัติธรรมต่อไปฝึกนั่งทาสมาธิทำจิตใจให้สงบแล้วก็เจริญปัญญาให้เห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นสิ่งที่เราจะพึ่งพาอาศัย ให้ความสุขกับเราได้มีสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือความสุขภายในใจของเราที่เราจะพึ่มได้และความสุขนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การทําบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมขอให้เราจงทําอย่างสม่ําเสมอทําไปเรื่อยๆเหมือนกับการรับประทานอาหาร อย่าไปคิดว่าฟังธรรมในวันนี้ครั้งเดียวทำบุญครั้งเดียวแล้วผลอันประเสริฐอันเลิศจะปรากฏขึ้นมาเพราะว่าการทำบุญทำทานก็เปรียบเหมือนกับการรับประทานอาหารเรารับประทานอาหารืราอาาร่อเดียวนี้ร่างกายเราจะไม่เจริญเติบโตขึ้นมาจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาในทันทีทันใดแต่ต้องรับประทานอาหารไปทุกๆวันรับประทานไปเรื่อยๆร่างกายก็จะค่อยๆเจริญเติบโต ยันใดาการประพฤติตนอยู่ในทรรนองครองธรรมทำแต่สิ่งที่ดีที่งามละเว้นการกระทำชั่วทั้งหลาย mm hmm. ก็จะเป็นสิ่งที่จะค่อยๆสร้างความเจริญให้กับจิตใจของเราสร้างความสุขภายในใจของเราให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะเป็นจิตที่มีแต่ความสุขล้ว น, วน mm hmm. ๆเช่นจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพระอาหารหันต์ทั้งหลาย นั้นจิตของท่านนั้นมีแต่ความสุขล้นๆนท่านจึงเรียกสุขนี้ว่าบรมสุขปรมังสุขขังเป็นสุขที่ไม่มีการคล่องไม่มีการหมดเพราะว่าเป็นสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมทาคุณงามความดีนี้เองและเป็นสุขที่ไม่มีใครจะสามารถพรากจากใจของเราไปได้ไม่ว่าจะเป็นการเวลาหรือบุคคลต่างๆ ไม่เหมือนกับสมบัติภายนอกสมบัติภายนอกนี้ทิ้งไว้มันก็เสื่อมไปตามการตามเวลาได้เช่นเงินทองถ้าเรามีทิ้งไว้เฉยๆอีกสิบปียี่สิบปีค่าของเงินนั้นมันก็จะน้อยหนุไปสมัยก่อนมีเงินร้อยบาทนี่สามารถซื้อข้าวของอะไรได้มากแต่สมัยนี้เงินร้อยบาทกบไม่สามารถซื้อข้าวของได้เหมือนสมัยก่อน นั่นก็เป็นเพราะความเสื่อมของค่าของเงินตามการตามเวลานั่นเองแล้วส่วนเรื่องของคนก็เช่นกันคนก็จะต้องแก่จะต้องตายไปในที่สุดความสุขที่เราผูกไว้กับคนคนนั้นมันก็จะหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ไป <c oughs> ดังนั้นจึงขอให้เราจงเห็นให้ให้ใ ห, ให้ให้เข้าใจให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงนั้น ต้องอยู่ภายในใจของเราและเป็นความสุขที่จะต้องเกิดขึ้นจากการทำคุณงามความดีอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้จึงขอให้ท่านจงมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ให้ประพฤติให้ปฏิบัติแล้วพยายามปฏิบัติ